บทภาชณีนิสกียาปาจิตตี569ภ้กสิบเก้าสูจนทำสันทที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตินิสกียาปาจิตตีภิกษุใช้ให้ผู้อื่นทำสันทัที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสกียาปาจิตตีภิกษุน์ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตินิสกียาปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จ ต้องอบัตินิสักคียะปาจิตตีทุกกฎเพิกสุดทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบัติทุกกฎ